ที่วัดปากวัดตลกวัดนารามวันที่15กันยายน2559เรื่องการปฏิบัติเอาอย่างแม่โคเลี้ยงลูกน้อยโดยหลกตาณรงศักดิ์ขีณารยโยึกขวนก่อนนะกลับไปบ้านก็ทำอย่างนี้แนะ่ไม่ว่าจะอยู่ในรียบด้ยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมเดืมกิน ทำกิจการงานใดก็ให้รู้ตัวอยู่ในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันภายในก็ให้ให้มีสติสัมปชัญญะรู้อยู่คําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆหรือบางท่านพิจารณาความตายอสภากรรมฐานมรณะติก็ให้พิจารณาอย่างนนแกติดจดจ่จดจกติดกับพิจารณาความตายหน้าเปื่อยผุพังส่วนผู้ที่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนั้นนะเพื่อให้รู้จักตนเอง ไม่ใชว่าไปบริกรรมเพื่อให้เพื่อให้มันรู้แต่คำบริกรรมพุทโธหรือว่าพระจะไปดับความคิดทั้งหมดนะอต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่ว่าบริกรรมพุทโธเร็วๆทั้งหมดเพื่อจะไปดับความคิดทั้งหมดหรือว่าไม่ใช่ไปจับแต่นิ่งๆว่างๆต้องการให้เราไม่หลงคิดไปแล้วก็ให้มันรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธเสร็จแล้วก็ให้สังเกตให้ดีๆว่า ตัวเราผู้บริกรรมพุทโธแม้แต่เราสติไม่ขาดเลยไม่เคยหลงเหม่อเพลิดไปคิดอะไรเลยมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ตัวเราก็พูดไม่หยุดคิดไม่หยุดบนไม่หยุดมีอาการหงุดหงิดมีอาการอย่างนั้นมีอาการอย่างนี้ยุกยิกจุกยิกยุกยิกอยู่ในใจตลอดเวลามีความหงุดหงิดหงุดหงิดองุดหงิดเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยนั่งอยู่บางคนก็เป็นตั้งแต่นิสัยของแต่นิสัยใครในิสัยมันนั่งหงุดหงิดลำคาญอยู่ บางทีตัวเองปฏิบั e day, <tinc S 1> ติไม่ได้อย่างใจครบริกรรมแล้วอยากมาสงบแล้วไม่สงบก็หงุดหงิดอึดอัดตืดตืดอยู่ในใจเนี่ยอันนี้เราต้ให้รู้จักตนเองเห็นตัวเองอ่ะเราจะไปเห็นอย่าไปเห็นแต่คําบริกรรมพุทโธอย่าไปเห็นแต่จิตนิ่งๆต้องการให้เห็นตัวเราเองรู้จักตัวเราเองเมื่อเราเห็นตัวเราเองรู้จักตัวเราเองที่ตัวเราเนี่ยเป็นคนขี้บนขี้บนพูดบนจุ๊กๆิ๊กจุกจิุกจมีอาการเดี๋ยวสบายใจเดี๋ยวไม่สบายใจเดี๋ยวสบายใจเดี๋ยวไม่สบายใจ ตัวเราเองให้รู้จักตัวเราเองแล้วก็เราก็ปล่อยวางปล่อยวางตัวเราเองตลอดเวลาตัวเราเองคือขันห้าขันห้าคือตัวเราเองเนี่ยเนี่แต่ตัวเราเองเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นตัวสมมุติเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ดับหมดขันห้าเนี่ยแต่เราจะรู้สึกไวขันห้าเนี่ยเป็นตัวเราเลยเราไม่ก่าตัวเราเนี่ยแม้แต่บริกรรมเร็วๆเราไม่ขาดสติแต่ตัวเราเนี่ก็ยังบน่บนพูด บ, บ, บ่นหุดหงิดลำคาญนั่นหุดหงิดลำคาณนี่อาการของในใจว้าวว้าววเหมือนคนบ้าอย่างเงี้ยน่ย มันจะเป็นอยู่อย่างงี้ในใจของเราเนี่ยเนี่ยอันนี้คือความจริงถ้าเมื่อไหลตัวเราหรือเป็นขันห้าเนี่ยมันนิ่งเงียบว่างเฉยอันเนี้ยใกล้ตายแล้วจงสังเกตให้ดีๆนะหลายคนเนี่ยลายมาหาเราแล้วหลายคนที่เราตามไปแก้ออออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเข้าใจผิด ทำให้ตัวเองเนี่ยมันหยุดคิดมันนิ่งมันเฉยมันว่างแล้วต้องจะตายทั้งหลายคนแล้วเราไปเอาออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยแม้แต่เป็นหมอก็มีหมอบางคนรีดผ้าอยู่เนี่ยไปทุพอตัวเราหมดความรู้สึกไม่คิดไม่นึกไม่อะไรนิ่งว่างเฉยเอาตอรีดกําลังร้อนๆนะวางบนวางบนหน้าขาตัวเองอะจนเป็นแผลยังไม่รู้สึกเลยอะเพราะว่ามันไปดับการทํางานของขันห้า มันผิดธรรมชาติแล้วมันทำให้สารเคมีในร่างกายเนี่ยผิดปกติหลางผิดปกติที่สุดแล้วต้องไปให้หมอผ่าตัดสมองไปผ่าตัดหัวใจผ่าตัดตับตายไปหลายคนแล้วบางทีทำให้เกล็ดเลือดขาวต่ำจกึกระตั้งไปให้เคมโมถึงแก่ความตายเป็นอย่างนี้มาหลายคนแล้วคือ ไปทำให้ตัวเองมันนิ่งเฉยว่างๆนิ่งเฉยว่างๆถ้ามันถ้าตัวเราเองนิ่งเฉยว่างได้เมื่อไหร่นะตายตายอย่างเดียวต้องจําไว้นี่ไปเลยเถอะเอเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปช่วยทันม้างไม่ทันบั่งหมอหมอก็จะบอกว่าเป็นโรคคุ้มพวงดวงจันทร์คือโรคคุมแพ้ภุ้มแพ้กินตัวเองนี่โรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดง สารเคมีในสมองในตับในไตหลังการทํางานผิดปกติผ่าตายไปหลายผ่ามตายมาเยอะนะอย่าท mm ําให้ต <Okay. S 1> hmm. like ัวเองนิ่งเป็นอันขาดเลยเอเราพุโตพุโตพุโตพุโตเพื่อไม่ให้สติขาดไปหลงเหม่อเผลินคิดไปถ้าเราเหม่อเผลอคิดไปเราจะรู้ได้ไงว่าเราเหม่อเผอเพลอคิดไปเหม่อเผลนคิดไปเนี่ยเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยความเหม่อเผลอนั้นเนี่ยมันจะดับไป แต่ถ้าเราไม่เหมอเผอเพลินมีความรู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธต่อให้เราเนี่ยทนเร็วปิดปืนกลเลยมีความรู้สึกตัวยังไงแต่เราตัวเราเนี่ยขันห้าเนี่ยผู้บริกรรมพุทโธมันพูดไม่หยุดมันพูดแข่งอยู่ในใจเนี่ยเราบริกรรมเร็วเท่าไหร่มันก็พูดแข่งในใจเนี่ยๆนียมันกุกยุกยิ้งยุกยิ้งหุ่นหงิดตำคานนูนหุ่นหงิดตำคานนี่เดี๋ยวแมลงมาไต่เราก็ทาไปทำไปก็ ฮึดฮัตฮึดฮัตฮึดฮัตอยู่ข้างในนั่นแหละอันนี้มันเป็นขันธ์ห้าเราดับมันไม่ได้แต่เราต้องเห็นมันเราเห็นมันเพื่อปล่อยวางมันปล่อยวางตัวเรานี่เนี่ยปล่อยวางตัวเราปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นแน่แต่ปล่อยวางมันไปเราจะไปยึดมันอย่าไปห่วงอย่าไปกังวลมันอจะไปรุ่มหลงมันปล่อยวางตัวเราไปให้หมดเออปล่อยวางเขาเรียกว่าภาษาพระเรียกว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่วะรู้ตัวเราซื่อๆสักแต่วะรู้ตัวเราซื่อๆ สักสวรุ้เนี่ยคือปล่อยวางตัวเราปล่อยให้มันตัวเราเนี่ยมันพอเรารู้จักตัวแล้วแล้วปล่อยให้ตัวเรามันเป็นบ้านเป็นหลังไปอย่างนั้นแหะแต่เราบริกรรมพุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธแต่ตัวเราเนี่ยมันจะมีอาการเว่อๆๆว่วอยู่ในสบายใจไม่สบายใจไม่เนี้ปผ่องใสมันเดือเศร้าหมองเนี่ยอยู่แน่ยไหนพู้บริกรรมพุทโธเนี่ยแม้แต่สติไม่ขาดแต่ถ้าสติขาดมันจะหลงคิดเป็นเรื่องเป็นราวนะมันจะหลงคิดไปถึงคนโน้นคนนี้ไปถึงอดีตถึงอนาคตอันเนี้ยมันจะคิดเป็นเรื่่อองงเป็นราาวถ้หลคิดะ แต่ถ้าไม่หลงคิดมีสติรู้อยู่เนี่ยขั้นงในลักษณะของการพูดอยู่คนเดียวพูดกับตัวเองบ่นอยู่กับเองพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่ตัวเองคนเดียวสบายใจเมื่อไม่สบายใจหงุดหงิดนั่นหงุดหงิดนี้มันจะมีลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเราหลงคิดมันจะคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงคนที่รักบ้างคิดถึงเรื่องที่ช้างบ้างคิดถึงเรื่องที่ดุดดุมบ้างคิดถึงเรื่องที่ประทับใจคิดเรื่องดูหนังดูละครมา คิดถึงเรื่องไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้มามันจะไปคิดถึงเขาป เ, เป็นเรื่องเป็นราวอันนี้นเรียวกว่าหลงคิดไปถ้าเรารู้สึกเราสังเกตได้ความหลงคิดเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวความหลงคิดมันจะดับไปแล้วเราก็ควาบริกรรม เ, เร็วๆขึ้นความหลงคิดนั้นก็จะดับไปพอเรารู้สึกตัวคาบริกรรมเร็วๆขึ้นความหลงคิดนั้นจะหลับไปแสดงว่าอันนี้เราหลงคิดแต่ถ้าเราเนี่ยมีรู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมเร็วๆผู้ต้องผู้ต้องผู้ต้องผูองผู้้องผูองผูงผู้ แล้วเราก็มีความรู้สึกตัวอยู่มันไม่ได้หลงคิดแล้วเพราะว่ามีความรู้สึกตัวอยู่คำบริการพุทโธพุทโธพุทโธุอ้าวแต่ไอตัวเราเนี่ยผู้บริการพุทโธมันกลับคิดเสียเองนะตเนี้ยมันไม่ได้หลงคิดแต่มันเนี่ยคิดแข่งกับคาบริกรรมพุทโธอยู่นั่นแหละจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊างง๊กจุ๊กจิอกจุกจิวกอุ๊กจิ๊ก แล้วก็หงุดหงิดนั่นหงุดหงิดนี่ลำคาญนั่นลำคาญนี่เดี๋ยวบุตกรรมผู้ตองุู้ตองผู้ตตัวแบรงมาไต่มาไต่เข้าไต่นู่นไต่นี่หงุดหงิดลำคาญอุ้กูจะโกรธตั้งแต่เมื่อมาไต่ายนู่นไต่นี่ลำคาญนี่แน่คือเราจะรู้จักตัวเราที่แท้จริงนี่แน่เมื่อเรารู้จักตัวเราแล้วเราปล่อยวางตัวเราเราก็จะพ้นจากทุกข์ได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายใจเกิดอีกถ้าเราไม่รู้จักตัวเราเนี่ยแนไอเดียมันเรื่องยุ่งถ้าเราไม่รู้จักตัวเราเนี่ย มันจะเอาแต่ตัวเราเนี่ยไปพูดไปคิดไปว่าคนนั้นไปว่าคนนี้ไปเพ่งโทษนั่นไปเพ่งโทษนี้ไปห่วงใยคนนั Teacher ้นไปห่วงใยคนนี้ไปช่วยเขาคิดคิดแทนเขาจนยังเป็นจะเป็นว่าเป็นหลังเนี่ยก็เพราะว่าเรานี่เนี่ยเอาตัวเราไปคิดเราไม่ได้เห็นตัวเราไม่ได้รู้จักตัวเราแต่เอาตัวเราไปคิดไปห่วงใยไปช่วยเขาคิดคิดแทนเขาช่วยเขาคิดกินแทนเขาเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งไปพูดแต่เรื่องของเขาไปคิดแต่เรื่องของเขาทั้งวัน เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่ากระดูกม้อแขวนคอวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้คนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้เนื้อก็ไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งเอากระดูกม้อแขวนคอทั้งวันเนี่ยอันเนี้ยอันนี้มันเอาตัวเราไปคิดเอาตัวเราไปเิพากวิจารณ์ที่สุดแล้วไปเพ่งโทษเพ่งโทษคนนั้นเพ่งโทษคนนี้ที่สุดแล้วไปกรรมติดตัวเป็นกรรมติดตัวติดจิตกรามพบข้ามชาติไปเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งไปเพ่งโทษเขาหลวงปู่ม่านท่านว่ากรรมเขาหนักเท่าภูเขา แต่เราเอาเรื่องของเขามาวิาพากษ์วิจารณ์ในใจเราเท่าขีเล็บทําให้เราตกนรกได้นี่เห็นไหมไม่นน่ากลัวไหมเนี่ยเรื่องของเขาเนี่ยเขาทํากรรมชั่วหนักเท่าภูเขาแต่เราเอาเขาก็มาวิาพากษ์วิจารณ์ในใจเราเท่าขีเล็บเนี่ยทําให้เราตกนรกได้เพราะฉะนั้นให้รู้จักกลัวซะบ้างรู้จักกลัวหลวงปู่อว่านเนี่ยท่านจะพูดอยู่ประจําเลยว่าแม้แต่ขนาดเขาหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งว่าคนร้ายคนชั่วคนเนี่ย จับเป็นก็ได้จับตายก็ได้วันลุกขึ้นเขาถูกยิงตายเลยเขาบอกว่าจับเป็นก็ได้จับตายก็ได้ก็ให้หลังวันวันลุกขึ้นคนร้ายเนี่ยถูกยิงตายเราไปอ่านหนังสือพิมพ์เขา้าเราสะใจเออมันตายซะได้ก็ดีแค่นั้นเนี่ยกรรมนั้นตกถึงเราเลยเ อ, อกรรมนั้นเน่ยตกถึงเราเลยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งอย่าไปร่วมเข้าไปยินดีอย่าร่วมเข้าไปยินร้ายเป็นอันขาด พระพุทธเจ้าของเราเกิดมาในชาตินี้เป็นโรคปวดหัวรักษาไม่หายขนาดมีหมอชีวกกะกำมลพัเป็นหมอเทวดารักษาหายทุกโรคแต่โรคปวดหัวรักษาไม่หายเพราะในชาติก่อนพนระพุทธเจ้าตรัสว่าเคยเป็นเด็กอยู่เกิดอยู่ริมทะเลเห็นชาวประมงฆ่าปลาได้เยอะไปดีใจกับเขาไปดีใจกับการทำชั่วของเขาเลยเป็นโรคปวดหัวรักษาไม่หายเห็นไหมนี่ เนือไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งเหยาะกระดูกมาแขวนคออย่าเข้าไปยินดีอยาเข้าไปยินลายเราก็พุทโธตะพุตตะเพือแล้วก็สังเกตเห็นตัวเราตพุทตะเพื่อพุทโธพุทโธแล้วสังเกตเห็นตัวเราตะพุทตะเพือขอเตือนนะอย่าเห็นแต่คําบริกรรมพุทโธเนี่ยอย่าเห็นแต่คําบริกรรมพุทโธ ให้พุทโธพุทโธพุทโธต่อพุทธะือเพื่อให้สังเกตเห็นตัวเราที่พูดแข่งกับคําบริกรรมพุทโธไม่หยุดหงุดหงิดมีอารมณ์หงุดหงิดมีความคิดมีอารมณ์หงุดหงิดนั้นหงุดหงิดนี่วิภาควิจารณ์นั้นวิภาวิจารณ์นี่สงสัยนั้นลังเลนั้นลังเนี่แข่งกับตัวเราที่บริกรรมพุทโธไม่หยุดนั่นแน่คือตัวเราที่แท้จริงเรียกว่าตัวแสบตัวแสบนี่แน่ตัวแสบก็คือตัวเรานี่แนะที่เราให้บริกรรมพุทโธเร็วๆเพื่อให้เห็นตัวจักตัวเรารู้จัักตวเรา ไม่ใช่ว่าเห็นแต่ตัวเราบริกรมททรมแต่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหน้าดํำขาเครียดไม่เห็นว่าเราเนี่ยมันคิดอะไรแข่งกับบริกรรมพุทโธมีนิสัยอย่างไรมีอารมณ์ยังไงขนาดบริกรรมพุทโธเร็วๆอยู่ไม่ขนาดไม่ขาดสติหลงไม่เหมื่อยเพลเพบริกรรมไปก็มีอารมณ์ไปบริกรรมไปก็ขุนมัวไปบริกรรมก็หงุดหงิดไปบริกรรมไปก็เป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้นี่เนี่ให้รู้จักตัวเราให้ดีฮะแล้วก็ปล่อยวางตัวเราตลอดเวลา แต่อย่าเข้าใจผิดว่าทําให้ตัวเรานิ่งเฉยว่างเป็นอันขาดเมื่อไรที่ขันห้าหยุดการทํางานคือตัวเราคือขันห้าหยุดการทํางานเมื่ อ, อไรเนี่ยเนี่ยนั่นคือความตายเพราะขันห้ามันจะหยุดต่อเมื่อเราตายแต่เราพยายามไปทําหลายคนปฏิบัติผิดพยายามทำให้ขันห้าเนี่ยมันนิ่งมันว่างมันเฉยนี่แล้วก็สุดท้ายก็เป็นโรคพุ้มพวงดวงจันทร์ เป็นโรคเม็ดโลหิตขาวกินเม็ดโลหิตแดงเป็นโรคสารเคมีในสมองในตับในไตไม่ทำงานต้องไปให้หมอผ่าสมองผ่าตับแม้แต่เป็นหมอเราก็ต้องไปช่วยออกมาไปช่วยออกมาจากโรงพยาบาลจากห้องไอซเนี่ยนั้นขันห้าเนี่ยเมื่อไหรที่เรารู้สึกว่าเสี้ยววินาทีเดียวถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยขันห้าเนี่ยไม่มีอาการ ไม่มีความคิดไม่มีความมีมีอาการกุ๊กกิ๊กไม่มีอาการไม่สบายใจหรือสบายไม่สบายใจหรือในใจนั่นแน่ให้เห็นว่าเราจะตายแล้วถ้าเวลาเที่ยววินัยทีใดที่เราเนี่ยเห็นเรานิ่งเฉยเงียบกิ๊บนั่นแน่ใกล้จะตายแล้วแต่ถ้าเห็นตัวเราน่ยพูดไม่หยุดในใจเราพูดอยู่คนเดียวไม่หยุดกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเหมนคนบ้านั่นแน่อันนั้นแน่ยังไม่ตาย ยังไม่ตายแต่ให้ปล่อยวางตัวเราจะพ้นทุกข์แต่ถ้าเราเนี่ยหลงมันไปอ่ะเราพูดบมุมบนกึมกั้มกึมกัพูดนู่นพูดนี่ล่ำคาญนั่นกุนกินี่แต่เราเป็นไปตามมานันพูดไปตามมานันมีอารมณ์กึมกั้มไปตามมันกับคนนั้นกับคนนี้ไปช่วยเขาคิดกินเตนข่าววุ่นวายไปหมดอันนั้นะเราไม่ตายแต่จะเป็นบ้าจริงๆออหลงไปตามความคิดและอารมณ์อันเนี้ยอันนั้นจะเป็นบ้าจริงๆ แต่ถ้าเราไปทําให้ตัวเราขันห้ามันนิ่งเงียบกิฟไม่คิดอะไรเราเนี่ยจะตายจริงๆเพราะขันห้ามันต้องทํางานจนกว่าเราจะตายวิธีปฏิบัติให้เห็นขันห้าเนี่ยมันพูดไม่หยุดคิดไม่หยุดมีอารมณ์อย่างนั้นว้าวว้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ใสเราอ่ะนี่ธรรมดาแต่เราเราอย่าหลงตามมันไปอย่าไปว่าคนนู้นเว่ยว่าคนนี้เพ่งโทษคนนั้นเพ่งโท ษ, คน น, นโทษคนนี้อย่าไปมีอารมณ์กับคนนั้นอย่าไปมีอารมณ์นคนนี้นอย่าหลงตามมันไปเป็นอันขาด แล้วก็อย่าไปสะกดตัวเราทั้งไม่หลงตามไปและอย่าไปสะกดตัวเราให้มันนิ่งมันเฉยถ้ามันนิ่งเฉยได้ตายทันทีตายตายตายจริงๆตายกันไปแล้วเนี่ยมันตายไปแล้วเตือนไว้เลยเนี่ยนั้นบริกรรมพุทโธเพื่อให้เห็นตัวเรารู้จักตัวเราเห็นตัวเรารู้จักตัวเราแต่อย่าหลงไปตามตัวเราแล้วก็อย่าไปสะกดให้ตัวเรานิ่งเฉยให้ปล่อยวางตัวเราเห็นตัวเรารู้จักตัวเราเสร็จแล้วก็ปล่อยวางตัวเราซะ ปล่อยให้ม mm ันเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะดีมันจะชั่วมจะเป็นยัางนัจะบนมันจะอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเราก็จะไปหลงไปตามมันไปคราวนี้มันจะอารมณ์ดีคราวนี้จะอารมณ์ไม่ดีเราก็ปล่อยวางมันปล่อยวางมันปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็พุทโธตะพุทตะพือปล่อยวางมันไปเรื่อยเราจะปล่อยวางมันได้กับพุทโธตะพุทตะพือปล่อยวางมันไปปล่อยวางมันไปจะไปยุ่กับมันจะไปยุ่กับตัวเรานี่แน่แล้วพอเราตายเนี่ยดับจิตสุดท้ายตัวเราก็ดับลงกันห้ามก็ดับลงเราก็เลยเหลือแต่ความว่างกลับขืนสู่ความว่างในจักรวล กับคืนสู่อวกาศแห่งจิตเดิมแท้เข้าใจไหมเนี่ยมีใครไม่เข้าใจมั่งยกมือเลอ๋อมีใครไม่เข้าใจยกมือเอ า, าไงเออถ้าสังเกต ด, ดีๆเดี๋ยวมันเห็นเรามัวแต่ไปไปมุ่งอยู่ที่ลมหายใจ เออก็เพราะว่าเราเราเนี่ยเหมือนกับอย่างนี้เราเห็นแต่ลมหายใจเห็นแต่คําบริกรรมพุทโธเราเนี่ยหมายถึงว่าเราจะทำเราปฏิบัติเหมือนกับเอาตัวเราเนี่ยไปดูโทรทัศน์เราเลยเห็นแต่ในโทรทัศน์คือไอ้คำลมหายใจและคำบริกรรมพุทโธเหมือนโทรทัศน์เหมือนเรื่องราวในโทรทัศน์เราปฏิบัติเหมือนกับว่าเราเนี่ยเห็นลมหายใจเข้าออกแล้วเข้าพุทออกโทเข้าพุทออกโทเนี่ยเราทําเหมือนกับเราเห็นตัวเราที่ที่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธ เหมือนดูตัวเราเนี่ยในโทรทัศน์แต่เราไม่เห็นตัวเราเนี่ยผู้นั่งดูโทรทัศน์เข้าใจไหมเราไม่ได้ดูตัวเราผู้นั่งดูโทรทัศน์เราเอาตัวเราเนี่ยไปดูโทรทัศน์เราดูหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรเราก็ดูเอาตัวเราเนี่ยไปดูเอาดูเอาดูเอาดูดูตัวเราหายใจเข้าพุทหาใจแต่เราไม่ได้ดูตัวเรากู้นั่งดูโทรทัศน์อันนี้เข้าใจยัง เราเลยไม่เห็นตัวเรา เ, ออเพราะว่าเราให้ความสนใจแต่สิ่งที่เราดูในโทรทัศน์คือลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถเราต้องรู้ควบคู่กันไปรู้ตรงว่าหายใจเข้าพุดธหายใจออกโธเพื่อให้มีสติอยู่แล้วก็สังเกตเห็นตัวเราพู้พุโทโธไว้ผู้หายใจไว้มันจะพูดไม่หยุดคิดไม่หยุดคือเราเห็นทั้งในโทรทัศน์และสังเกตเห็นตัวเราที่นั่งดูโทรทัศน์เข้าใจไหม เออคือเราเนี่ยมุ่งดูแต่ข้างหน้าเราทําอะไรเนี่ยเรามุ่งดูแต่ข้างหน้าแต่ไม่ได้ดูตัวเราแบ่งแบ่งมาดูตัวเราด้วยไอข้างหน้าที่เราเนี่ยอย่างนี้นะเวลาทํางานเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็จะลืมดูตัวเราไปเลยพ้อย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเวลาทํางานเนี่ยเราจะลืมดูตัวเราไปเลยเวลาเราทํำกับข้าวนะเราแต่เห็นแต่กับข้าวเวลาเข้าวกัวทํากับข้าวเนี่ยหลายคนจะเห็นแต่ การทํากับข้าวแต่ไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีมีความคิดพูดอะไรบ่นอะไรพูดกับตัวเองว่ายังไงพูดกับตัวเองยังไงคิดย่างกับคิดว่ายังไงบ่นกับตัวเองไงพูดกับตัวเองว่ายังไงมีอารมณ์สบายใจไม่สบายใจยังไงไม่ไม่เห็นตัวเองว่าคิดอะไรอยู่พูดกับตัวเองคิดคิดบ่นพูดบ่นคิดบ่นพูดบ่นอะไรอยู่ในใจคือเห็นแต่การทํากับข้าวแต่ไม่เห็นว่าตัวเองคิดบ่นพูดบ่นอะไรแต่บางคนไม่ใช่ว่าคิดบ่นพูดบ่นอย่างเดียวทําไปบ่นไปอย่างจริงอทํากับข้าวไปแล้วพูดบ่น บนตัวเองบนคนนู้นบนกับข้าบนนี่บ่นนั่นบ่นนู้นบนนี่บนทั้งบนทั้งครัวเนี่ยบ่นในโงครัวบ่นไปบ่นไปจนมีปัญหากันเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ทําแต่กับข้าปากก็บ่นไปด้วยแต่เนี่ยเราไม่ให้ปากบ่นแต่ให้เห็นใจมันบ่นที่จริงอใจมันบ่นปากมันถึงบ่นออกมาบ่นนู้นบ่นนี้ทําไปก็บ่นไปแต่ความจริงอ่ะไม่ให้ออกปากเพราะออกปากจะมีปัญหากันให้เราเนี่ยเห็นใจเราเนี่ยมันบ่นหรือไม่เราไม่ออกปากแต่ใจเราเนี่ยบ่นบ่นไม่หยุด มันเวลาเราทํากับข้าวเนี่ยเราจะเห็นแต่ข้างหน้าเราจะเห็นแต่ข้างหน้าที่เราทํากับข้าวให้เหลือบสังเกตเห็นตัวเราตลอดเวลาว่ามันมันเนี่ยบ่นไม่หยุดคิดไม่หยุดไม่ว่าเราจะทําอะไรบ่นไม่หยุดคิดไม่หยุดบ่นไม่หยุดคิดไม่หยุดไม่ว่าเราจะทําอะไรอันเนี้ยใไฮสเกตให้ดีไม่มีหยุดหรอกตัวเราเนี่ยบ่นไม่หยุดพูดไม่หยุดต้องมีจุ๊กกๆ๊กกิ๊กก๊กกิ๊กอยู่ในใจเรานี่แน่ตลอดเวลาไม่มีหรอกแม้แต่ฟังของตาพูดเนี่ยนะ เนี่ยกำลังฟังหลวงตาพูดนะถ้าเรามุ่งแต่ฟังหลวงตาพูดอย่างเดียวร้อยเปอร์เซนตเราจะไม่เห็นเลยว่าตัวเราพูดอะไรแข่งกับหลวงตาในใจเนี่ยใช่ไหมเอาตอนนี้เลยฝึกตอนนี้เลยเนี่ยถ้ามุ่งฟังหลวงตาร้อยเปอร์เซนคือตามองหลวงตาร้อยเปอร์เซตหูก็ฟังร้อยเปอร์ซแล้วก็พยายามทํความเขา้าใจที่หลวงตาพูดร้อยปเซ็โดยไม่ได้เหลือกดูตัวเองแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยจะไม่รู้เลยว่า ตัวเองคิดอะไรกับหลวงตาคิดอะไรกับคําพูดทุกคนไม่คิดไม่มีหลวงตาพูดไปเนี่ยต้องคิดอยู่แหละคิดอะไรเท่านั้นเองวะ่ะนี่มันเวลากี่โมงแล้วพูดเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านมันดึกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนั่นหลวงตาพูดยาวไหมเนี่ยอะไรเลิกไหมหรือว่าอไม่ค่อยเข้าใจเลยเอ้ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเอ้ยทาไมมันไอ้คราวนี้เหมือนเข้าใจดีเอ้ยทุกทีฟังไม่ เ, เข้าใจเลยเอ๊ะคราวนี้เหมือนกับฟังแล้วเข้าใจดีแต่คนไหนไม่เข้าใจ ทำไมไม่เข้าใจเลยอมันก็พูดแข่งอยู่นี่แนะไม่มีหรอกไอ้คนที่ฟังเหมือนตอไม้ไม่มีเชื่อเลยไม่มีใครฟังเหมือนตอไม้มันจะมันไม่ใช่ตอไม้มเป็นคนมันก็เลยนี่ยมันต้องพูดว่าทาไมเขานี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยมันทำไมไอ้เขานี้รู้เรื่องดีเอ้ยไม่เคยฟังรู้เรื่องขนาดนี้เอ๊ะเป็นอย่างงี้ หรือาลุงตาพูดมากเนี่ยจะอยู่ได้ยอย่างเนี่ยมันจะเดี๋ยวฝนจะตกจะรีบกลับบ้านไปกีฟ้าร้อกันมันก็พูดเนี่ยไม่ไม่พูดแข่งกันลุงตาท่าไปพูดอย่างอื่นนะเนี่ยให้เห็นเหอะรับรองเลยขอให้ทำอะไรเนี่ยให้ให้แบ่งมาสังเกตตัวเองที่หลุงปู่ตาท่านว่าการปฏิบัติให้เหมือนกับแม่โครเลี้ยงลูกน้อยทําอะไรก็ตามเนี่ยแม่โคเนี่ยปากของแม่โคไกลและริ่ญ้าส่วนตาของแม่โคก็แอบเหลือบดูลูกน้อยไม่วางตา ทั้งแม่โคก็อิ่มท้องลูกน้อยก็ปลอดภัยการปฏิบัติให้เอาอย่างแม่โคเลี้ยงลูกน้อยปากของแม่โคก็และเล็มญ้าส่วนตาของแม่โคก็แอบเหลือบมองลูกน้อยตลอดเวลาโดยไม่วางตาทั้งปากทั้งท้องแม่โคก็อิ่มทั้งลูกน้อยก็ปลอดภัยเราเนี่ยจะทํางานอะไรเนี่ยมันก็มันก็เป็นงานที่เราทําในชีวิตประจําวันเนี่ยและหมดทั้งงานพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเนี่ย ก็คืองานที่แม่โคและเล็มญ้าลูกน้อยก็คือจิตเนี่ยลูกน้อยก็คือจิตที่มันพูดบนคิดบนเนี่ยเนี่ยนี่งานเนี่ยงานตอนเนี้ยก็คืองานฟังของตาเนี่ยคืองานที่แม่โคและเล็มย้าคืองานฟังของตาแต่ตาในของเราเนี่ยก็แอบเลือกดูว่าเราเนี่ยพูดแข่งกับลูกตาว่าอย่างไงไม่มีใครเรานั่งฟังมันต่อไม้ไม่มีมันจะต้องพูดอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็พูดอยู่ตลอดเวลา เอายกมือดูที่ใครใครจะกล้าแสดงออกว่าพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรเอ้าพูดแม่ปู่าพูดไม่พูดโอ้เดี๋ยมาทุกคนใครไม่พูดบากเอายกมือจริงๆใครไม่พูดจริงๆแต่ไม่เห็นให้ไม่เห็นไม่ต้องไปไม่ไม่อะไรถ้าเห็นเน่ยมันจะต้องพูดทุกคนไม่มีหรอกไอ้ที่ไม่พูดไอ้ถ้าไม่เห็นแสดงว่าเราไม่ได้เหลือบดูไม่ได้เอาอย่างแม่โคเลี้ยงลูกอ่อนแม่โคเลี้ยงลูกน้อย ล้ามแมวแต่และเล่มยญาลืมดื่มลูกน้อยไปลูกน้อยเลยโดนโดนเสือฆ่าไปกินเลยอันเนี้ยเราต้องทําอะไรก็ตามในชีวิตประจําวันต้องแบ่งต้องแบ่งสักเปอร์เซนต์หนึ่งมาเหลือบดูอย่างน้อยต้องมีสักเปอร์เซนต์หนึ่งมาเหลือบดูลูกน้อยหรือจิตใจเนี่ยว่ามันคิดอะไรอยู่มันคิดอะไรแข่งอยู่นในใจอันนี้ไม่ผิดนะอันเนี้ยถูกต้องที่สุดและคือการปฏิบัติของพาาระหลานทั้งหลาย เมื่อเราเห็นตัวเราแล้วเนี่ยแล้วมาฝึกอีกขั้นหนึ่งคือปล่อยวางตัวเรามันต้องรู้จักตัวเราซะก่อนจึงปล่อยวางตัวเราเออพอรู้จักตัวเราแล้วเราก็รู้จักตัวเราซื่อๆปล่อยซื่อๆรู้ซื่อๆรู้ตัวเราซื่อๆเนี่ยแหละคือปล่อยวางตัวเราก็จะพ้นจากทุกข์ <l ose? S 2> ไปผู้ใดรู้จักตัวเราซื่อๆหรือทําใจเป็นกลางกับตัวเราได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทางปวงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สอนไว้เพราะเนี่ยเราเนี่ย ต้องรู้จักตัวเราซะก่อนแล้วก็ปล่อยวางตัวเราเพราะฉะนั้นตัวเรานี่คืออะไรตัวเราที่คิดปนพูดปนพูดปนพูดแทรกซ้อนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทาอะไรต้องพูดแทรกซ้อนอยู่ตลอดเวลาไม่มีหรอกเงิเงิบงงิบงอย่างนูดอย่างีอย่างนั้นอย่าีอย่างนี้อย่างน้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนีอย่างนี้อย่าน้อย่างนี้อย่าง้อย่างนี้อย่นี้อย่างนี้อย่างน่างนี้อย่างแล้วย่างนีอย่านี้อย่างนี้่างน้อย่างนอย่างน้อยาง้อยางอยาง่านอางนี้อย่้อางนี้อย่าี้ยงนี้ัย่า้ย อ, อย่างก็ดีนะก็เหมือนเนี้ยคนส่วนใหญ่เนี้ยมันชอบเหมือนกับปฏิบัติเหมือนชอบดูทอรทัตอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ดูตัวเองแต่งแป่งเปอร์เซ็นต์สักน้อยหนึ่งมาดูตัวเองนะปรัใจนะอ่ะ